ที่สระ บ, บุรีมีร้านอาหารร้านนึงนะตั้งชื่อแปลกดี น, นะข้าวต้มปรงนะแทนที่จะตั้งชื่อว่าข้าวต้มรุ่งโรดรุ่ ง, รงเรืองตั้งชื่อว่าข้าวต้มปรงแล้วก็ไม่ใช่แปลกแต่ชื่อนะในร้านนี้ก็แปลกนะแทนที่จะเอารูปสวยๆงามๆ ม, มาติดเพื่อสร้างบรรยากาศ ให้คนเนี่ยกินอย่างมีความสุขกับเอาพวงหลีนะมาประดับตามข้างฝาพวงหลีที่ใช้ในงานศพนะมาประดับแล้วก็มีตลปัดนะของพระที่ใช้สวดในงานศพนะก็ต้องมีสี่ตลปัดนะ เกิดแก่เจ็บตายยิ่งกว่านั้นนะยังมีการเอาโลงศพมาตั้งด้วยโลงศพของเด็กกันนะแต่เป็นโลงเปล่าเปล่าก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศนะของงานศพเพื่อให้คนที่มากินเนี่ยกินไปด้วยปรุงไปด้วยนะข้าวต้มเนี่ยก็เป็นข้าวต้มที่ปกตินะ ทำในงานศพนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วอย่างเช่นในกรุงเทพนี่เดี๋ยวนี้เวลาจัดงานศพนี่เขาก็ไม่ค่อยได้แจกข้าวต้มกันแล้วแต่ว่าจากอาหารกล่องนะสะดวกโดยเพราะช่วงโควิดนี่ก็ให้อาหารกล่องไปไปกินที่บ้านหรือว่าไปกินในงานก็ได้แต่ว่า ไม่มีข้าวต้มอย่างที่เคยไอเมนู M A N e, ข้าวต้มเนี่ยงานศพเนี่ยเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ชายยังหนุ่มอยู่เลยนะสามสิบกว่าหรือว่าไม่ถึงสี่สิบบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยชอบไปกินข้าวต้มในงานศพตามวัดเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดชอบนะชอบรสชาติของข้าวต้มในงานศพพอจะ ทำร้านอาหารขึ้นมาก็ก็เอาเมนูนี้แหลนะน่ะมาทําขายเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วแล้วมันอร่อยนะคนมากินนี่ก็รู้เลยนะโอ้ที่มันเขาต้มงานศพเนี่ยพอทักแบบนี้เข้าก็เลยเอ้ยงั้นทําร้านให้เป็นคล้ายๆบรรยากาศคล้า ย, า ย, ายงานศพก็แล้วกันนะมีพวงเรดมีโรงศพมีตาลปัด ที่ใช้ส่วนอภิธรรมในงานศพแล้วก็บอกว่าคนนี่นะสนใจนะมาซื้อกินแล้วไม่ได้มีแต่ข้าวต้มปรงนะมีสุ ก, กี้ด้วยนะสุ ก, กี้นรกสุ ก, กี้สวรรค์อันนี้เป็นจุดขายนะเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ว่ามันก็เป็นการเติมข้อคิดให้กับผู้คน เวลากินอาหารก็อย่า ก, กินเพื่อความเมตอร่อยอย่างเดียวน ะ, ะมันได้ปติเตือนใจด้วยเตือนใจว่าอะไรนะเตือนใจว่าสักวันหนึ่งคนเราเนี่ยมันก็ต้องตายนะอย่าเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนานมากนะยิ่งถ้าหากว่ากินเพื่ออยู่กินเพื่อมีกำลังในการทำความดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เวลากินอาหารเนี่ยนะ มันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เพียงแต่เติมอาหารกายเท่านั้นนะแต่เติมอาหารใจด้วยที่นี่ก็เหมือนกันนะเราเวลากินอาหารเนี่ยเราก็ชวนให้กินอย่างมีสติเพราะสติเนี่ยคืออาหารใจนะไม่ใยากกินไปคุยไปหรือว่ากินเพื่อหวังรสชาติจนขาดสติแล้ว ก, ก็กินเยอะกินด้วยความรอร่อยนะ จนกระทั่งไม่รู้ประมาณแล้วก็เกิดโรคเกิดภายตามมาโรคเบาวาโรคหัวใจโรคไตาวายเพราะกินอาหารรสจัดอันนี้รียวว่าท้ายนี่มันกลายเป็นพิษกับร่างกายนะเพราะว่าการขาดสติแต่ร้านนี้เนี่ยนะสติที่เขานะเติมเป็นอาหารของใจนี่ไม่ใช่สติ ที่เรารสติปัฏฐานหรือสมาสตินะแต่เป็นมรณสติซึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะเรารักถึงมรณสติเอาไว้โดยเพราะความตายของตัวเราเองซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เตือนใจให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงไม่ใช่ของคนเราอย่างของตัวเราอย่างเดียวนะแต่ของคนที่เรารักด้วยมาไม่ใช่ว่ามา เตือนสติตอนงานศพในวัดนะซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ละพอมางานศพก็สังสรรค์เฮฮากันพบปะเพื่อนฟูงเลยไม่ได้ซึมซับรับอมรณสติมากินอาหารก็มาเติมหรือเตือนใจเรื่องมรณสติก็ดีเพราะทำให้เกิดความไม่ประมาทเดี๋ยวนี้คนเรานะมักจะลืมเรื่องนี้ไปและพอ ลืมเรื่องความจริงว่าเราต้องตายมันก็เลยใช้ชีวิตยอย่างประมาทร้านนี้นี่เขาก็แวกแนวหลายอย่างนะนอกจากการจัดบรรยากาศของร้านให้เหมือนกับวัดหรือสาราที่จัดงานศพแล้วเนี่เขาบอกเนี่ยตอนที่เปิดร้านนี่เขาไม่มีเลยนะไหว้เจ้าที่ไม่สนใจเลย ปกติก็ต้องมีการไหว้เจ้าที่เพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบนี่ยเขาไม่สนใจสะดวกวันไหนเอาวันนั้นเลยแล้วก็เลือกเอาวันที่สิบสามนะสิบสามนี่คนจํานวนไม่น้อยเธอเป็นวันเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลนะอันนี้เป็นความเชื่อของฝรั่งนะตอนหลังคนไทยก็รับมาเป็นความเชื่อของตัวเองไปแล้วเราก็เปิดร้านวันที่สิบสามเลยแล้วก็ร้านนี้ก็ตั้งบนทางสามแพร่งนะไม่กลัวนะ คนจำนวนมากเนี่ยบอกว่าเนี่ยทางสางแพร่งนี่มันมันเฮี้ยนนะตั้งตรงไหนทำกิจการแล้วก็ไม่เจริญแต่ก็บอกไม่สนใจเขาไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องลาบเขาไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องดวงเขาบอกเขาเชื่อเรื่องมือทำเชื่อเรื่องมือทำมือทำคือการกระทำก็คือกรรมนั่นแหละกรรมคือการกระทาจะดีหรือลายเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเรานะไม่ได้อยู่ที่ดวงไม่อยู่ที่เลิก ไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศมันอยู่ที่การกระทําของเราเรียกว่าแบ่งแนวมากนะแล้วก็ไ้ยิ่งแบ่งแนวแบบนี้คนก็รุ่นใหม่ก็ชอบนะคนแก่จะไม่ชอบที่จริงนะเดี๋ยวว่าแต่ร้านที่สร้างบรรยากาศแบบงานศพเลยขนาดในวัดเนี่ยนะอัตมาเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องความตายพูดเรื่องมรณสตินะ กำลังพูดอยู่นะก็มีโยมคนหนึ่งนี่เดินออกลุกจากสารลาเลยที่แ้วก็ไม่รู้ว่าเ้าลุกไปทำไมตอนหลังเขาบอกว่าเนี่ยพูดอะไรเรื่องความตายนะเป็นอภมองคลไม่อยากฟังวันนี้ขนาดมาวัดนะยังฟังเรื่องความตายไม่ได้แล้วจะหวังความเจริญทางธรรมได้ยังไงนะเพราะว่าความตายมันก็เป็นเรื่อง อ, งอนิจจังนะถ้าพายไม่พูดเรื่องอนิจจังแล้วเนี่ย มันจะพูดเรื่องอะไรนะัน้นโดยพราเนี่ยที่จริงเรื่องความตายเนี่ยถ้าเราวางใจให้ถูกนะมันเป็นมงคลนะเพราะมันทําให้เกิดความไม่ประมาทผู้จ่าผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งฟังเรื่องความตายแล้วเกิดความไม่ประมาทนี้นะะถือว่าเป็นมงคลนะแต่ว่าชาวพุทธเหล่านี้ขนาดมาวาัดนี่ฟังไม่ไดนะ้เรื่องความตาย อันนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าถึงเวลาจะตายจริงจะทรมานมากพูดถึงเจ้าของร้านนี้ก็ชีวิตเขาก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาบอกตะกอเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเงินมีทองมากเลยนะเขาขายอุปกรณ์โทรศัพท์รายได้เขาเนี่ยเขากะแล้วในประมาณย0สบล้านแต่ว่าเขาประมาทนะมีเงินเยอะๆนี่ก็ เกิดความหลงระเริงในความสำเร็จนะคบผู้หญิงต้องห้าคนนะแจกผู้หญิงแจกรถให้ผู้หญิงคนละคันแล้วก็อย่างเที่ยวปาร์ตี้เที่ยวสนุกสนานนะเพราะว่าสุดท้ายเงินหมดนะเงินหมดไม่พอนะเป็นหนี้นะีห้าล้านเ็าบอกเนี่ยบัญชีเคยมีถึงสองล้านนะข้ามคืนเนี่ยเหลือแค่9บาท มีเหลือแค่9ก้าบาทในบัญชีทำยังไงนะนี่สินก็หลายล้านตัดสินใจฆ่าตัวตายนะที่แรกปืนยิงตัวเองนะแต่ว่าไม่ทันยิงนะเปลี่ยนใจครั้งที่สองเนี่ยจะแขวนคอตายนะบอกว่าเด็กมาเรียกเรียกมากินข้าวเลยได้สตินะแล้วเขาคิดว่าเนี่ยเปลี่ยนใจใหม่ดีกว่านะสู้กับชีวิตสู้กับปัญหา ก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเขก็พบว่าเออมันก็ชีวิตก็มีทางออกนะในตอนจะตายเนี่ยตอนจะฆ่าตัวตายเชืว่าชื่อไม่มีทางออกแต่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันนั้นฆ่าตัวตายนะวันนี้ก็ไม่มีความก็ไม่มีความสุขอย่างวันนี้ถ้าวันนั้นฆ่าตัวตายเนี่ยนนก็ไม่มีความสุขอย่างวันนี้นะแต่ตอนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมันเห็นแต่ความมดืดบิดนะแต่ถ้าลองมองว่าเนี่ย ลองฟันฝ่าความมืดมิดไปสักพักเนี่ยก็จเจอชายที่สดใสชื่อของเขานี่ก็เป็นตัวอย่างนะของคนที่เพลิดเพลินในความสําเร็จตนตกต่าย่ําแย่แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะฉุดจิตใจของตัวเองออกมาจากความทุกข์ความมืดมิดได้เพราะมีความหวังว่าชีวิตมันมีทางออกเสมอนะอันนี่ก็เป็นอุทาหารณ์สอนใจคนได้ดีเลยนะว่าชีวิตเนี่ยมันมีทางออก แล้ววันนี้แม่มันจะย่แย่อยังไงมันก็มีความหวังว่าวันหน้าจะดีขึ้นได้